พระเทียนบางครั้งเราก็ได้มุนท่านมาเทศเนะหมือนท่านมีชีวิตอยู่นะท่านยังไม่มรณนะท่านไม่ตายเพราะนั้นในส่วนประสบการณ์ของชีวิตของท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านได้เข้าถึงได้เป็นประโยชน์มหาศาลต่อคนอทั่วโลกก็ว่าได้นะ อันนั้นเองในสาระจุดนี้เราได้เกิดมาร่วมยุคสมัยของท่านแล้วเราไม่ควรจะพลาดโอกาสเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจว่ามายืนยัดยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเข้าจุดนะจุดนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย ที่เราเคยเสวยอนหากันเราพยายามเข้าหาสาราธรรมในหลายจุดหลายประตูแต่ก็เข้าไปไม่ได้แต่ท่านบอชีบอท้องเข้าจุดนี้เนี่ยเราก็เข้ามุ่งเข้าจุดนั้นจุดเดียวก็ปรากฏว่าไปะทะลุถึงจุดนั้นให้ได้เหมือนเหมือนกับสมัยนี้ที่เราหุดน้ำบ่อบรดาลเนี่ย การที่เราจะเจาะทั่วไปเนี่ยไม่ได้เราก็จะต้องมีการสำรวจว่าตรงไหนเป็นจุดที่เจาะไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำนะหลวงพ่อพเทียนก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทางธรณีวิทยาได้สำรวจตรวจสอบว่าจุดที่มีน้ำเนยน้ำอยู่ใต้ดินเนี่ยเหมือนกับสัจธรรมคำสอนของพระเจ้ามันอยู่ในใจเราเนี่แหละแต่มันอยู่ลึก แล่วท่านก็ชี้ว่าเจาะเข้าไปจุดนี้แหละจะเจ อ, อเราก็ขุดไปโดยไม่หลังเละเหมือนเราเชื่อมั่นในการสำรวจของนักธรณีวิทยาเราเชื่อมั่นในข้อเห็นว่าคู่ค้นพบพุทธธรรมที่พระเจ้าค้นพบมาก่อนอยู่ณจุดนี้แหละเป็นจุดที่บางและตื้นไม่ต้องไปจุดขุดกันเจาะกันหลายพบหลายชาติ มาเจอกันเพียงพบเดียวชาติเดียวแล้วก็บอกเวลาไว้ด้วยว่าอย่างสูงสุดไม่เกิน3ปีต้องเจออย่างต่ำสุดตั้งแต่หนึ่งว mm ันถึงวันอย่างอย่างเร็วที่สุดอย่างกลางตั้งแต่หนึ่งปีหนึ่งเดือนสเดือนถึง1ปีเนี่ยท่านบอกว่าต้องขุดลงไปจุดนี้ท่านก็ให้คำยืนยัยืนยันให้หลักประกันละ ให้แรงบระดาลใจอันนี้คือจุดพิเศษของพระเทียนคือไม่ไม่ชี้แนะแบบสเปดสปกักแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นคำว่ารู้สึกตัวคำเดียวนะท่านย้ำอยู่จุดนี้จุดเดียวเนะี่ยตั้งแต่พศ2 5 0 0ถึง2 3 1เป็นเวลา30ปีท่านพูดคำคำเดียวตรงนี้แต่ก็มีบริบทปีอ่า เรื่องแวดล้อมประกอบให้ภาพของคาวิสติเนี่ยปรากฏชัดเพื่อยืนยัดยืนยันให้เราได้เชื่อมัน่นเท่านั้นเองนะนั่นเองเราก็มาลงมือขุดเจาะให้ตรงลงไปในะจุดเนี้ยทีนี้พุทธภาวะที่เราจะจุดเข้าไปถึงขงแต่ละคนลึกตื้นไม่เท่ากันบางคนก็ฝังอยู่ลึกมาก คนก็ฟังอยู่ปานกลางบางคนฟังตืู่ตื้นๆมันขุดบ่อน้ำบางคนก็ขุดไม่นานก็เจอแล้วบางคนขุดนานดังนั้นตัวเศจษธรรมคาสอนคือพุทธภาวะเนี่ยมันก็ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องลึกเรื่องตื้นเป็นสิ่งที่มองเห็นอยู่นะมองเห็นอยู่ แต่ว่าเราอาจจ ะ, อะมองข้ามไปก็ได้เหมือนท่านบอกว่าเหมือนหน้าตาอยู่ที่หน้าแมองหน้าไม่เห็นตาอยู่ใต้คิ้วคิ้วอยู่ห่างตาแบบ <c oughs> ไม่ได้เกินนิ้วแต่ก็ตาก็มองไม่เห็นคิ้วเหมือนกันโดยสภาวะเศรธรรมก็อยู่ใกล้เรามากจนเรามองไม่เห็นอันนี้ไม่ได้เกินเลยความจริงไปเลยนะ สมัยที่เรายังยังไม่รู้จักไม่เข้าใจเราก็นึกว่าโอ้อยู่ไกลตัวเรามากที่โบราณท่านใช้ก็ว่าเส้นผมบางภูเขาแต่ทุกวันนี้ภูเขามันบางเส้นผมนะนนั่นเองอ